195 อนาสาโทรสกะว่าด้วยการ 12 กรณีภิกษุ การออกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จภิกษุครั้นกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร ภิกษุกลางกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้ ภิกษุกลางกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้ คิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะ กลับไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวรนี้การออกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรังกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะไปไม่กลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวัง มีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวอนนี้นอกสีมานี่แหละให้ทำจีวอนนั้นจีวอนที่พิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการด่อกระถินของพิกษุนั้นชื่อว่ากรราชา子กรรดด้วยผ้าเสียหายพิกษุกร gebec. กรรันертินแล้วรีขไปด้วยวังว่า เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้ทำจีวอนนั้นความหวังว่าจะได้จีวอนนั้นของเธอสิ้นสุดลงไม่ได้มีความคิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมาเข้ แต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวรนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับ ก็แต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังที่ซึ่งมีหวังจะได้ทําจีวรด้วยตกลงใจภิกษุกลางกฐินแล้วหลีกไปด้วย เขาแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าซึ่งจะไม่กลับหวังว่าจะได้จีวรแต่ได้ไม่ ไม่ได้มีความคิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะไม่กลับมีมีความคิดอย่างนี้ว่าคิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้ 196 อาสาโทรสกะว่าด้วยการเดาะกฐินเพราะ 12 กรณีภิกษุการกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่า การออกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จภิกษุครังกฐินแล้วหลีกไป ภิกษุกลั่นกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร ภิกษุกลั่นกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะ ภิกษุกลั่นกฐินแล้วหลีกไปด้วยหวัง จะให้ทําจีวรนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวรเพราะ จะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนอกสีมานี่แหละเข้าไปแล้วหลีกไปด้วยจะ ในมีความคิดอย่างนี้ว่านั้นกถินเดาะเสร็จแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะ การดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุครางกฐินแล้วหลีกไป เข้าประยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้โจี้ย์ว่อนแต่ความหวังว่าจะได้โจี้ย suspicion นั้นของพริกษุนั้นสิ้นสุดหลงคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาด่อกระถินของพริกษุนั้นก propose กรมาหนดด้วยสิ้นหวัง ทำจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสร็จแล้วการเดาะกฐินของภิกษุ แต่ความหวังว่าจะได้จีวรนั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุด ร่วงคราวกฐินการเดาะของภิกษุนั้นชื่อกําหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกลางกฐินแล้วหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นได้ตามที่หวังไม่ผิด การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 197 กรณีะโทรสกะว่า 12 กรณีภิกษุครังกฐินแล้วหลีก เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความ เข้าไปยังแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วย ไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทํา แต่ไม่ได้ตามหวังไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งหวังว่าจะได้จีวรนอกเขตศีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไป อยู่นอกสีมานอกสีมาเกิดความหวังว่าจะได้จีวรเข้าไป เกิดความหวังว่าจะได้จีวรเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้เจอจีวอนนั้นแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวอนนี้นอกส Gust สูตนี้แหละให้ทำจีวอนนั้นจีวอนที่ภิกษุนั้นให้ทําหอยู่นั้นเกิดเสียหายการด่อกก sample of เกิดความแต่ได้ไม่สมหวังไม่ได้ตามหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าได้จีวรเข้าไปยัง ภิกษุครั้งกระทินแล้วหลีกไปด้วยธุระจําเป็นบางอย่างโดย การออกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยธรรมจีวรเสร็จภิกษุครั้นกฐิน จะไม่ทําจีวรนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับ มีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวนนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวนนั้นจีวอนที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่เกิดเสียหายการเด่อกระทินของ hist вз derechosเยี่ย님 คำหนดด้วยภาษ์เสียหายภิกษุกรานกระทินแล้วหลีกไปด้วยธุระจำเป็นบางอย่างโดยไม่ตั้งใจ เกิดความหวังว่าจะได้จีวรมีความคิด 198 อปวิลายนะนวกะว่าด้วยการเดาะกฐินพระหวังได้ส่วนจีวร 9 กรณีภิกษุครั้นกฐินแล้วต้องการจะไป สวนจีวรก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านไปนําจีวรนั้นมาพวกเราจะทําจีวรให้ท่านท่าน ภิกษุในที่นั้นจะทําจีวรให้ผมภิกษุ มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะไม่ให้ทํจะไม่กลับการเด่อกระที่นของภิกสูนั่นกําหนดด้วยตกลงใจภิกสูกลานกระถินแล้วต้องการจับไปสู่ทิทย์จึงหลีกไปมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ทํารจะไม่กลับ ใ��고ทํา ยิงจีเวอนนั้นจีเวอนที่พิกสูนั้น กำหนดด้วยผ้าเสียหายด้วยผ้าเสียหายภิกษุครางกระถินแล้วต้องการจะไปส่วนจีวรพวกภิกษุถามภิกษุส่วนจีวรของท่านอยู่ พวกเราจะทําจีวรให้ท่านในที่นี้ภิกษุนั้นกลับไปยังอาวาสนั้นแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลาย ภิกษุในท่านอย่าไปเลยพวกเราจะทำจีวรให้ท่านในที่นี้จะทําจะไม่กลับให้ทำจีวรนั้นผมภิกษุเหล่านั้นการออกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่า ผู้ภิกษุถามภิกษุนั้นผู้ไปสู่ทิศแล้วว่าท่านจำ ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหนจีวรของผมอยู่ที่ไหนภิกษุเหล่านั้นตอบว่านี้ พวกเราจะทำจีวรให้ท่านในที่นี้เราจะทําจีวรให้ท่านในที่นี้ภิกษุ ท่าน ส่วนจีวรของท่านอยู่ที่ไหน? พรรษาที่ส่วนจีวรก็อยู่ที่นั้นเหมือนกันส่วนท่านไปนำจีวรนั้นมาของท่านอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่านี้เป็นสวนจีวรของ ภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ทําการเดาะกฐินของภิกษุแล้วต้องการจะไปสู่ จีวรของท่านอยู่ที่ไหนภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ นี่เป็นส่วนจีวรของท่านภิกษุนั้นจึงถือเอาจีวรนั้นไปยังอาวาสนั้นไปยัง เราจะไม่ทําจีวรนี้จะไม่กลับการดอกกฐินของภิกษุ อปวิลายนะนวกะจบ 199 ภาสุวิหารปัญจกะว่าด้วยการดอกกถินเพราะหวังอยู่ภาสุ 5 กรณีภิกษุ ถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ภาสุก็จะอยู่ถ้าไม่ภาสุก็จะ ภิกษุกลางกฐินแล้วต้องการจะอยู่ภาสุทธิจึงถือจีวรหลีก มีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทําจะไม่กลับการด่อกระถินของภิกษุนั่นชื่อยว่ากําหนดด้วยตกลงใจ ภิกสุกรàนบระถิน แล้วต้องการจะอยู่ผ ก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ภาสุก็จะ จึงถือจีวรลีกไปคิดว่าเราจะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ภาสุก็จะอยู่ถ้าไม่ภาสุก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ภาสุ จะกลับจนล่วงคราวกฐินดอกนอกสีมาการดอกกฐินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยล่วงเขตภิกษุรางกฐินแล้วต้องการจะอยู่ภาสุจึงถือจีวรหลีกไป ก็จะไปยังอาวาสโน้นถ้าในอาวาสนั้นเราอยู่ภาสุกก็จะอยู่ถ้าไม่ภาสุกก็จะปริโพธาปริโพธกถา ว่าด้วยปริโพชและอปริโพชปริโพช 2 อย่างภิกษุทั้งหลายวตินมีปริโพช 2 ภิกษุทั้งหลายอาวาสะปริโพธคือในกรณีนี้ภิกษุยังอยู่ในอาวาสนั้นหรือหลีกไปแต่คือใน อย่างนี้ชื่อว่าจีวรปริโภชน์ภิกษุ 2 อย่างนี้แหละ 2 อย่างคือ 1 อาวาสะอปริโภชน์ 2 จีวรอปริโภชน์ไม่มีความ ภิกษุลีกไปจากอาวาสนั้นสละไม่ผูกใจคิด ภิกษุทั้งหลายก็จบกถินนขันธกะที่ 7 จบเรื่องในขันธกะนี้มี 12 เร 118 เรื่อง 201 รวมเรื่องที่เร 30 รูปเข้าจําพรรษาณ ออกพรรษาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มี เรื่องวิธีการกถินและยัตติทุติยะกรรมวาจาสําหรับกลานกถิน 5 กถินไม่เป็นอันกลานด้วย 6 กถินไม่ 7 กถินไม่ 8 กถินไม่เป็นอันกลาน 11 กฐินไม่เป็นอังคารด้วยอาการเพียงดามผ้า 12 กฐินไม่เป็นอังคาร กถินไม่เป็นอันการด้วยภาวะที่เสียบไว้ค้างคืน 17 กถินไม่ด้วยภาวะที่เป็นนิสสคี 18 กถินไม่เป็นด้วยภาวะที่ไม่ทำพินทุ 19 กถินไม่เป็นเว้นจากสังฆาติ 20 กถินไม่เป็นเว้นจากอุตราสม 21 กถิน กถินไม่เป็นอันกลานเว้นจากจีวรมีขันธ์ 5 หรือ 5 ซึ่งตัดได้แล้วทําให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น 23 กถินไม่เป็นอันกลาน 1 ก็ทินเป็นอันการด้วยผ้า 2 ก็ 3 ก็ 4 ก็ 5 ก็ 6 ก็ 7 ก็ 8 กถินเป็นอันการด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา 9 กถิน 15 ก็ถินเป็นอังคารด้วย 5 หรือ 5 ที่ 16 ก็ 17 ก็ถินเป็นอังคารโดยชอบถ้าภิกษุผู้อยู่ในสีมาอนุโมทนากถินนั้น คือ 1 กำหนด 2 กำหนด 3 กำหนด 4 กำหนด 5 กำหนดด้วยได้ 6 กำหนดด้วยสิ้นหวัง 7 กำหนดด้วยล่วงเขต 8 กำหนดด้วยเถาะพร้อม ว่าด้วยการดอกอถินด้วยการเถอจีวรหลีกไป 7 กรณีคือ 1 เถอจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีก 3 ถือจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมาคิดว่าจะไม่ให้ธรรมจะไม่กลับการ ถือจีวรไปคิดว่าจะกลับให้ทําจีวรนอกสีมาครั้นทําจีวรเสร็จแล้ว กำหนดด้วยเขต 7 ถือจีวรไปคิดว่าจะกลับให้ทําจีวรณภายนอก อาทายชักกะและสมาทายชักกะ 6 กรณีและการเดาะกฐิน 6 กรณีคือ 6 กรณีไม่มี ว่าด้วยการดอกกฐินด้วย 15 กรณีเป็นต้นกล่าว 1 กําหนดด้วยทํา 2 กําหนดด้วย 3 กําหนดด้วยผ้าเสีย 1 กำหนดด้วยธรรมจีวรเสร็จ 2 กำหนดด้วยตกลงใจ 3 กำหนดด้วยผ้าเสียหายกล่าวถึงภิกษุถือจีวรหลีกไปด้วยไม่ได้ตั้งใจ ด้วยด้วยผ้าเสียหายใจด้วยผ้ารวมเป็นสิบห้าหายด้วยได้ทราบข่าวด้วยล่วงอีก 4 วาระก็ 15 วิธีหลีกไปด้วย พึงทราบโดยนัยยะ 12 วิธีภาสุวิหารปัญจกะว่า 5 กรณีปริโพธาปริโพธกถาว่าด้วย